กระนำเข้ามาว่าละสอง้อข้อความสามร้อนยะข้อความนะในนั้นก็มีการวิภาวิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่ามีการต่อร้าต่อเถียงกันเราอ่านก็คงจะไม่มีความสงบเพราะฉะนั้นก็สมควรที่จะปิดโทรศัพทนะ์หรือว่า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 แต่ถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็มาครอบงารังควาญจิตใจเราไม่ได้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการนี่ที่เราไม่ได้ชำระนึกถึงลูกมันผดขึ้นมาในใจแต่ถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้แต่เป็นเพราะว่า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 เพอเพอเม้อลอยงานเสียอีกแล้วก็อาจะเสียอย่างอื่นตามมาทะเลาะ ก, กับเพื่อนรวมงานระบายอารมณ์ใส่เขาเขามาหยอกเข้ามาเซวแต่ก่อนเราก็หยอกเซวกับแต่เ้านี้ไม่มีอารมณ์นะจะเซวกับมีแต่จะดา่ากลับไปทะเลาะบบกแวงกันเสียเพื่อนนะ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 แล้วก็เรียกมันเพราะเรียกมันวัวมันก็ได้สตินะมันก็ไม่ทำมันก็กลับไปเดินตามทางเนี่ยการปฏิบัติการจราติเนี่ยของพวกเราคล้ยายๆงั้นแหละก็คือว่าวัว น, นี่เปลี่ยนเหมือนจิตนะส่วนทางเนี่ยก็เปรี่ยนเหมือนกับว่ากายหรือความรู้สึกนะเราต้องการให้ให้ใจเนี่ยมันรับรู้กายนะ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 ใหม่ๆเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยจดจ่อเท่าไหร่หรอกนะเหมือนกับเด็กที่เพิ่งมาเลี้ยงวัวนะก็เอาแต่ฟังเพลงจากวิทยุไอ้วัวไปไปไหนไม่รู้ไปไกลแล้วนะไม่รูนะ้กว่าจะรู้ก็โอ้ยมันก็ไปทำอะไรต่ออะไรอยู่นานแล้วต้องเรียกมัน